เรื่งองสีเขียวเนี่ยมันเป็นรัศมีที่เครื่องของแม่แต่ว่านิสฐานท่านแม่ของพืนไม่ของท่านแม่จริงๆมีความสดใสที่ว่าสีเปนทองสีเป็ ง, ง, งินีเก้าแต่ท่นิ เดี๋ย อ, อ, องสอบประจำวันศุกร์ปะจำวันกนี้ตไม่สิบหลุดตัวจิตเป็นคิดแต่ว่าเวลานี้สมาธิเริ่อ่อนกปแคนั้นเองนะที่ปบบกษายาเย็นได้แล้วก็ให้แม่พาพี่มาเขาหลเองร้องแป๊วนะมีไม่สามท่านแม่ถ้ามีขอแม่พาไปแตแอดที่ ท่นท่านทนแม่พต้องคิดตัดทันหา้าจะร่างกายนะไม่ต้องการมันอีกก็ต้ อ, ตองการวิถีพันยิ่งช่วงมันาตายวันหรเปล่าบางคนร้สึกว่มีด้วยค่ะมีใช่ป ร, ะ เ, ร ะ, ะเด็นแรกก็รู้ด ดูตามความรสึกนึกถานท่านแม่่้หมาของแวเนี่ยาจคลาม่ได้ยังไดว่าี่ไดกว่านี่ดตงบมีมามากนะกว่าได้สีทาแล้วอยที่ใส่ที่ทองแ ก็ทางว่าที่ทองนี้ทางได้แค่วิธีทางในสองแก้วแก่ได้จะทางแก่ไปสองแก่ ดี n ลยแดงมิรุบน่าดังน่าไหวไหมดีเลยสบายไหมสบายไหมนั่งอย่นั่งสบาไหมเล่นเพลงหรือเปล่าเล่นเพงเล่นเพงไม่เล่นกระเทยทำได้ น่ะแล้วจิตเวลานไงจิตเวลาสึ้กไมสดขึนมยมากนะะช่ค่ะมันรู้สึกถึงคัน่านะคะคันตัวที่มันดึงดึงดึงดึง่มันก็เป็นทุกข์คันท่ามันเลอย่างนี้เราไม่ต้องารมันนะโอเคแลันท่ที่เลวอย่างนี้เราไม่ต้องการมันที่มันเป็นมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยดี ตอนี้ว่าดีว่าเราจะ้รู้ความจริงของมันล้วกัรห้ามมันเร็วนะแต่ใจขึ้นแบบนี้รันเราไม่ไมปดใช่ไมไมปวดค่ะมีตวามสรขดีมากใช่มเออค่ะสบายเยเย็นนะเค่ะฉะงนั้นเรามีคิดต่อไปว่าึ้นที่เราขันห้ามแบบนี้มันกโปดทุเก็บทั้งมันเราจะใช้รกรรมเก่าไีช่วยย้ํไม่ดีกันแล้นก็ตายใช่ไหมถ้ามันทั้งที่เวลานี้เราจะดีใจก็เกิดใ ใจนะตอนนี้ดูวิมานทีสว right ่างขึ้ไม่างจัว่ามากว่า่เรคปวก็นปวดใจฉันไม่ง้อเนะขันห่านะใช่ค่ะฉันไม่ง้เองจะปวเองจะงว่าช่งเมเองัันจมาอยู่บ้างฉัเห็นไหมใช่ ไม่ใช่่แต่ีกวเก่าไหมแม่นั่งใกล้ยังไหมใช่ค่ะแม่ไม่ท้หัวเตี่เค่ะวามามือวานี่ต้องถูกต้องมีที่่ีมากลต้องูความรูสึขอม่ด้อยู่ดีใจมาก แมงากนายเถอะค่เออดีมากดีมากที่แมทาทำความสุขจงนั่อมือางวางตกียเคะเออดีตนี้มีาสยใจมากนะาอันนี้มันไม่ใช่ความฝันแล้วนี่เป็นเรื่องจริงแล้วนะ นี่เราขึ้นมาได้จริงๆแล้วแต่ว่าอสายสที่อารมณ์สมาธิอ่อนไปหน่อยนึงนะ<ช>แต่ว่าอย่าน้อยใจมันอ่อนแล้วแล้วเข้มข้นนะเวลาที่ภาชนายาญญเรามีกำลังสูงกว่าสมาธิถ้าวันหลังเราคุณไปเจอมัน้อยทำใจสบายๆ ม, มันจะจำสายขึ้นนะได้ไหมก็แม่พาไปวิมานหลวงพท่ที่เพื่ก็เที่ยวมาเลยวันนี้ ไม่นำไม่ได้ใช่ไหค่ะเอออ่างนมใช้ตแก่งความโน้มนิยมหลังนี่มันของหลวงพอมีน่าจะหลายอันใช่ไลายอันมใช่ส่เจเดียวขตัที่เกิดการใช่ไหมดูว่าจะเข้ามีมานี่มันมมากกว่า แต่พอที่พอใช้เปนที่อยู่จริงๆ่กงด้ครับต้อง่าแล้วก็ถาม่ที่ว่าวิมานเขาไปเสียอะไรสอค่ะอือตรงกลางังกลางสีเหลือง่ไังขวามีส เหองเขียวๆใงนก็องใช่ดูเขาไไหนดู้แม่แบบาไไหนไดูมันมีอะไรบ้า ง, งไปไปไปตอตาาม่สิ k ข้าจะข้าจะอาข้าไปหลังทางขวาแล้วกดูเลยไม่รูกเห็นได้ไหมเห็นท่านหนักจค่ไถ้าเห็นไม่ถนัดก็ใจมันท้าที่แม่ที ก็าระบอกมนตามความรู้สึกเลยวันนี้ต้องใชความรู้ครคสึกนะไม่ใช้เสียงว่เป็นไรโอนะ้พรพุธเจาค่ะโอ้พระทธเจ้าทพระพุทธเจ้าสิบเดทมาสถาปนาพันลุนกโอเคนี่ขอ ได้ชมองคประโคมต่างความยุงวันพันใกาวันพันถุงสานมันเข่าไหมเห็นเห็นแต่ตอนนี้องเล็กนะจ๊ะค่าเล็กเล็กนะครอบองในความจรินถ้าเือนเล็กกัสมาธิเราเล็กเล็กใช่ไหมขอบารมีรู้ในใจขอแสดงพระองค์ให้เต็มตัดเท่าในความจริงเพราะวาคุัน ใหญ่ขึ้นนะเจ้าค่ะสีแดงสีสันเหลืงอืมอืมอมเียวเขียวใี่แสงออกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเนี uh ่ข huh. ับนาสีนะตงใกล้ๆฐานนะเจ้าค่ะมีอะไรอี่ มือนผ่นเลยค่ะเหมอัีอะไรบ้างหรือมมีที่สำหรับเานะคะมีหรับจุดเทียนนะคะเเทียนมีอะไรอืม มันเห็นโลกชัดที่ตัดที่ห้านะตัวแรกตวแรกกายที่เลวทรามเย่างนั้นเราไม่ต้องคารอีกเพราะว่าพันธุ์ผ่านไปเทียนมีความสุขที่สุดเราต้องการกจุดเกี่อๆพัพนธุ์ผานว่วาพื้ที่อยู่ของข้อที่ทไหนถ้าตายเรา็ไมาอยู่ที่นั่นใช่ไหมเราพอใจพนันธุ์านมากกว่ามนุษย์มากกว่าจิตวิามากกว่าลม พนุษย์คนดีตัวใดก็ดีขโมยได้ไม่สมบัตนะเลีขันหาเจ้าของจะไล่ตัวเป็นกัตริย์โฮมันเราไม่ต้องการวันนั้ต้องการขี่านพิเจ้าชัดไหมพิธีเจ้าชัดขึ้นตรงหน้าิเจ้าเหมือนมีดอกไม้ทองดอตอตได้ กระถางนั้นใช่ไหะวางอ่ข้างล่างนั่ะ่กระถางตีอะไรกแก้วเียค่แก้วเขียวๆเค่ะฮะกไม่เห็นเรเขียวอะไรลยคะไม่เห็นะไรตกนนชอบเขียวเปล่านะเปล่าเป่าฮะอะไรชอบเสียวเนี่ยเวลาที่ชอบีเขียวทีนอยู่นโน้ชอบีเสียวอบน้เขียวใช่ค่ะถ้าอะไชอบอะไรทุกอย่างมันจะปรากฏไปตามนั้นนะ ตอนนี้ถ้าเราเห็นเขียวอันนี้ฐานนะครับความจริงนะแค่จริงสีของที่เราเห้เขียวเนี่ยสีจริงจริงมันเป็นยังไงไม่จริไม่จิงตอนนี้ก็ถามมีสีแดงแดงนะจ๊ะค่ะนั่นแหละว่ามันจะรู้สึกมันจะเป็นเก้วแก่วเคลือบเคลือบนะจ๊ะค่ะตอนต่อหาความจรงกรรมนั่นนะโอ้ สีที่แปลกกว่าที่กเกว่าเวลาที่เราอยู่บนมัไจะชอบสีอะไรเนี่ยขึ้นไปมันยจดว่าสต์สีนั่นนะแต่ <c oughs> ตอนนีฐานห า, หาความเป็นจริงว่าของจริงๆเมันมีอะไรรูปร่างลักษณะเปี่ยนงไงตอนนี้ผุกระถางถุงท่านั่งเป็นแก้วนะคะ<ม>และขนาดมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ <c oughs> <ๆ>ตอนนี้มั น, นขึ้นก้นแล้วปลายด่าใหญ่ออกไม่เหมือนเมื่อก <c oughs> ี้ชล้วค่ะา่ะหาความจริงตรงนี้ Style, น, นี่ไปเข้าของจริงแล้วนะตอทีนี้มันต้องขีดตามอารมณ์เดิมเราใช่ไหมเ่อนดูพระพุทธเจ้าเี่่านป็ทัวเป็นะทับตอนนี้ตรงตรงกลางเป็นทองนะค่ะเป็นทองค้อเข้าน่อเจค่ะข้างล่างก็เหมือนผานะเจค่ะ ก็ยังม um> ีหนังสือดอกดัวทองๆอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอะไรมีอะไรบ้าล้ก็ต้นไ้เล็กน้ยๆใช่ค่ไม่เนีดูรูระสนูรเจ้าสวหอเดิมะามเห็นก็ช้านในถนัดะทีใช่ไหค่ะอะข้างล่างน จต่แต yeah. ่ก็บาทขึนไปแต่ก็บาดขึ้นไม่ตรงไข้งตเนี้ยริ้วเนี้ยเป็นไนลูกอือสวยดูสิคะมองแล้วแต่ก็บาทขึ้นไปนะคะต้องให้หนูเห็นใส่รองเท้าด้ยจคะมีมีลูกรองเท้ารองเท้าทองนะคะใช่ๆชใส่แหางแหนงเจ้าคเป็นไปทีกข้เท้ามีกาไรดูสิคะ มีผ่าวันนี้ผ่านนะเนนี้วันนั้นท่านเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่ตอนนี้ไม่เป็นลูกพระสงฆ์นะีถูกต้องเป็นลูกแต่เป็นผ้าผ้าสีทงองทองใช่ไลูกมองขึ้นไปใช่ไหมู่กมองขึ้นไปเป็นผ้าเหมือนเหมือนน่องจงกระเบนนั่นมใค่ไหม่เหมือนน่้งจระเบนลย้าขึ้นไปตรงตรงเอวของท่าน น, นีเป็นเป็นเหมือนเหมือนทองทองห ย, กยกักหยักมีทุกาเองใช่ไหมะน้องขึ้นไปอีกท่นนานท่าสวมมีสายสายส้แบบแบบเป็นนรงโหลใหญ่ใช่ะขึ้ไนไปใ่มะขึ้นไปอีกขึ้นไปอ ใส่เสื้อ่เสื้อเหมือ erm นเหมือนมีที่แขนไปแขนมือติดติดออกมาหน่อ้ค่ะแล้วก็ทีดข้อมือของท่าก็ใส่ด้วยเจ้าแล้วก็ทานเ่านถือข้ันเจ้าค้ะแล้วก็อรนนี้มือขวานะเจ้าค่ะมือ้ายท่านถ่าอะไรมือซ้ายท่นื คุสาวต้องยกขึ้นจาคะยกขึ้นจคะยกขึ้นอะไรในการให้พรในการยกขึ้นต้องต้งแบบให้พรไหมเค่ะตองใหกพร่ขอรับพรมาองค์สมเ็จตัารวิจาวจะติดอยู่ที่วิถีพันธ์เชงใดเมื่อคำสอนใด้เ่องคสมเด็จตัตถะมาทวิจาวทรงสอนไว้ข่าพระพุเจ้าจะไปฏิบัิตามเอาชีวิตไปเล่นั ก็ไม่ลาชีวิตนะค่ะต่ไม่รู้ราางนนนนนาะะนทุงใจองใชคะที่คอท่านก็ใส่รอบคนะค ะ, ะเป็นเหมือนเันที่ตัวทางใส่รูแล้วก็จะเพิในใน่งไปแล้วนะตรนนี้ทงานจะเดินักกันใช่อะนเดิลุกเดินคท่พพานตอนนี้เห็นเห็นทางท่านนะจ้ค่ะ เป็นแสงสวนะ่างสว่ไหมค่ะดีนครับปากสวยใช่ไหมคะใช่จมูกโด่งใช่ไหมคะเห็นเห็นเราพักท่านเป็นรูเป<ม>็นรูปไครใช่ค่ะ อ, <ม> อ, อ้โแล้วก็ก็เว้น้นวาคสวย ต, ตาโตแล้วก็เปล่ตาตาสองชั้นนะคะตาไม่เหมือนเราคือูที่เราเห็นนะคะคุณต่เขาไม่ได้เจ็ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปสวยเชิตาเจ้าค่ะสวยไหมเชิดตาสวยดีเจ้าค่ะชื่นใจไหมชื่นใจเจ้ค่ะ เดินค่ะเออแล้วนี่ดูระองคชัดดีไหนนี้ชัดขึ้นจังค่ะชัด้ดดดที่เป็นพระเสวนท่านมีสว่างสว่างวใช่หมแล้วนีออห้ใาวงหมเอะค่ะเออถ้ามองไปนี่ดูแม่เหนแม่ชัดใช่ไหมเห็นชัดขึ้นจัค่ะแล้วนี่ม่ยืนอยู่ข้างอยู่ ยืนด้วยค่ะเป็นทุบชุยทองนุ่งสบนุ่งจีแม่นานนะคะแล้วก็หงมสบายด้วยค่ะสบายเป็นทองทองเป็นเหมือนตุ่มๆนะคะนะคะดูด้วยชัดลยกดตัวลี่เจอแม่ตะี้เจอยาุณแล้ววันนี้วันไหลทั้งแม่ที่เป็นนั่นดีเหมือน ดอกไม้บบทางเทิงจุดบนสะพานนะค ะ, ะแล้วก็แขนซ้ยายของท่านแม่ใช่ท่านแม่ของมือมือทำท่าทำท่ า, ท า, ทา ย, ยกมือขึ้นกะค่ะยกมยกมือได้เหมือนพระยกมือก็คนะโอ้ม่ก็วหค้อนติ กราบแม่ขอบคุณแม่เคะขอบคุณค่ะนี่ดูด้วนอสวยดิแม่ก็สวยมากไหสวยค่ะนี่ตัวมันแก้วไหมเวแม่สวยมาเลตัวองท่เวเนียตัวเองดูไงลูกเตรงนี้ แี่สอะไรก็ได้เลยเขาแมจะค่ะเออเอาดีค่ะดูตัวแล้วก็ดูว่าแม่นะใะดูตัวแล้วเองดิใกล้สิงแม่ไหใช่จะค่ะใช่นะแล้เวลานี้เราไม่แล้วนี้เอาหนังนี้ไปเอาความเมตตามานะเป็นสื่อในตวมันกันแน่เยนะงก่อนสิเปนัดเลยว่าไม่ชก่าใ่เอดูตัวตรงนใกลแม่ไหม แม่โรมหรว่าแบนอือแม่มใช่มมคะสสยมากใช่มค่ะตัวเป็าแม่ตัวเล็กกว่าใช่หตัวเล็กกว่า่ทงีถูกง้างม้ยใช่ะตัวเป็นไงลูกงแต่งัวบายเหมือนกันเออมะ ท่นผถงผผัดถาผัดถงผเหมือนใช่ค่ะเหมือนใ่ะแปลตัวแบบเดียวกับแม่ใช่ไหมใช่ะช่ไหมแต่ตแม่สว่วางกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทันแม่ตรง อรงสะโพกลงมากด้วย่กลมลมาไลได้ค่ะใช่คดูตรสัตว์อยาก็นแม่วันานี้นะใช่ค่ะดูให้ชืนใจใช่ค่ะานแม่แต่งชุดเหลืองๆแต่ายต่าไปถึงเสือยใช่่เหรียนี้ขึนมาดเป็นทองค่ะนะแต่ที่ลายเป็เหียนผืนของผ้า อรยนดียี้ฮที่เหนนี่อรวนรวนเรื่อยๆเค่ะแต่บอกขอทาม่บอก่าได้ช็อตเข้ามาดอกของแม่ก็สวยมากขงสองายซเซเเซนะคะ เคยใช่เป็นเหมือนคาม้สด้ว่มันต้องเป็นเทง่ใช่ใถูกต้องต้องเที่ยวแงรารู้กป็นทิพย์นะใ่ไม่ไม่มนไม่เหมือนมนุษย์ไม่เมือด้ไม่เคยเห็น่ไหม่เลยเลยใชค่ะแป๊วมีไหมมีด้วยค่ะเหมืนกันเล่ออมาคยูาีกว่ามาใช่มี่มีค่าม่หม คุยค้ายใช่นเองเาคยทบุญร่วมกับแม่มาเนอะใช่ค่ะแต่ของต้นไม่เสร็จยนะงก่อนี่มาที่ดีดีกว่านี้ก่อนนะใช่ค่ะแต่ว่าเราีโอกลับมาทิพยานได้แล้วก็เรื่องความสงามต่อไปข้างหน้าก็ได้เท่ากันนะแล้วดูวัตถุดงโดยไม่ข่้ใจอยากเปนแ่นาวันนี้ไม่ต้องเล่ให้ไห เดินค <premises S 2> ่ะดูใจกนค่ชมันคือเราอยู่ราเไม่ต้อาให้้นะเดิ่อไม่เหยียนดูอะไรอีกม่ใสธิ์ใยากอยากไปที่เขาตูนนจะค่ยพรจะอใม่พาไปหรกไม่ถึงดูเลย ดูจุรามณีทุกคนเป็นเปี่ยดดีทุกคนเป็นเปดดีใช่ไหมยอะไรดุกหุ้ทองใ่ะหีหทองเนี่ยใค่ะใ้ทันใหม่ขอบารมีพระพุทธเจ้าอบารมีแม่ช่วยแต่แค่จุามณีนี่เป็สีอะไรที่แท้จริงคล้อยลูกเหชัดตามสีที่นที่สีแท้จริจามณี รู้สึกว่าเป็นแเป็นแก่แล้วเป็นนค่ะ้สวเป็นใช่ไมมันดเียหมมยยสีเห็นทั้งเอารู้สึกวเอาเหไปไม่ได้ ไลายสิ่งเ่้าคะแตอนั้นสุดช่วยดนเนมาที่ยังอ่อนีลายสิ่งแต่วันี้แวั้นะนั่นลเอ่อก็ต้องอ่นี้ต่อไปตั้งใจเข้าประตุลาวมีนะไปที่ประตูดูที่ว่ามีใครยืนอยู่บ้างถ้แม่พาไปแล้วก็แม่ช่วยนะแม่บารมีก็มาก ถ้ตัวทางเข้าจุฬามณีใช่น้งเอ๋อน้องเอขอท่านี่ยืนอยู่ที่นี่ข้ามาว่า เ, เป็นพี่ไม่ใช่จะขายก็คอยชัดได้ <c oughs> ไหมได <c oughs> ้ก็เก่าไหม แต่งความรู้สึกเพราะว่คนนี้แต่งตัวเยังไงตัแบบเทวเลยค่ะแเดาไม่ได้เทวต่งตัแบบ่าเราแต่อะล่่แต่ความรกานัคยเ่อได้ไหะคือ่อแง อาเอาเขาดูิเขาบอกเอาชัดๆเลยสีแน่แน ok, ่นอแต่วก well, really Co ็มีนะแต่แต่งเป็นยับอะไรสีอะไรสีออกเหลืองแดงใช่ไหมคะแดงใช่ไหใส่รองเท้าไหมใช่ไหมใส่รองเท้าใสเงินเงินใช่ไหมเงินี่ใส่ใช่ไหมขอพี่อกขอข้าวข้างเลยม ใช่ท้ม่เเลยแล้วดดยด้บาละันดูดูมีอนแล้ว่าว่าใทางความรู้สึกทางนิสัยนี่นะทางนิสยได้แล้วทางความรู้สึกดยนะเท่าเิเท่านะับความรู้สึก็ไม่โอ้โหความรู้สึกก็เห็นัด้ทั้งองค์เลยคะสวยไหมสอ สลงโลงเดินเชียวค่ะใช่ค่ะแล้วาตัวแค่ไหล่ที่ได้ไหมไหล่เลยใช่ค่ะแค่ไหน่ไหล่เห็นไหมใช่ค่ะดูให้เราสวยกว่าไหมดูแล้วมาดับเธอไปดูทีน้อย คนอะรอย่างนั้นใค่ไหมคะแต่ตัวชายนช่ไหมคะแต่ัวชายนึกแต่งตัวสวยเวชยมีการเคลื่อนขวางไหมนุ่มจมกปเลยใ่ไหมเนื้อเป็นไงลูกให้สวยไหมน้าสวยใช่ไเนี่เป yeah ็นเนื้อคนหรือเป็นหรือว่าเป็นเหมือนกับผ้าแฟร์หรือว่ามันแคบน้าเป็นทองทอยแก้วแ้ว่ไ ขออนอุญาตเขเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าในบันเย็นแวนี้ด้วให้แม่พาไปได้วยนะให้ี่พาไปได้วยพี่เป็นทายุคที่นี่ทายาททายาเป็นทายาทยุบใจอเดินตรงโอ้โหตกปลา ท่านความรู้สึกท่านยนนะคะท่านยืนอย่เลยใช่ค่ะท่านน้มสกัท่านแล้วดูดิพระสงฆ์ท่านสวยตามที่เราเห็นเดิมมั้ยตอนท่านยืนแล้วทรงนี้ท่านเป็นลูกไขก่บนพระเศียรนะคะแล้วก็เล ย, ย, <บ> ย, ยมาทั้งตัวอะไรค่ะดูท่นาน้าก็ฟังดิเป็น ท่านยืนแล้วก็ข้างหลังท่านนะ้๊ะคะเหมือนลูกพระที่ที่เราพุดธรูปทีออ่มีที่ใช้หน้าะจ๊ะค่ะรอบรอบข้างหลังท่านนะจ๊ะค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นแสงสว่างต่อไปอีนะจ๊ะค่ะแล้วก็ท่านประกานบน ็นดอกบัวใช่คะอดอกบัวเลยดอกบัวไม่เคยเห็นใช่มแอลแอดอกบัวลักษณะดอกบัวเป็นดอกบัวเป็นดอกเหมือนดอกไม้น่คะแต่ว่าเป็นทอง เอ็ดดูจริงไม่มีเหือนดอกบ้วยใช่ไหมคะไม่เหมือนของเราเลา ย, ลยใช่คะเป็นกยย้าย่คะเป็นเหมือนดอกไม้เทียที่คนก็ทำออกระราพวกนี้ม ม, มีมีเป็นก้านลงมาน ะ, คะ้ค่ะท้ายจนั้นเป็นดอกอันนั้นแล้วเป็นก้าลงมาแล้วก็ซ้อนต่อมดอกตรงนั้นอกอกไปาวเพิ่ก็ค่ะ ดูดรดลไไปบอกพ่อเลยมันดีจะได้ชินใจนะพอดีใจไาาดา้นนี่ไงแลกอะไรหูหมอนน่งเยอด้วยนะจะค่ะ้าท่านเลย่